พ, พิคภิคะเวภิคุกายเยกายานุปัชเชวิหารตินวสิวธิกาปรับฟังกายานุปัสนาสติปัทฐานางังไปดูไปอ่านดูให้ชัดเจนท่านเปรียบเส ม, มือนป่ายช้าทั้งเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเย็ดแปเก้า พอถึงที่สุดเหมือนเห็นซากศพที่เราทิง้งทิ้งไว้ในป่าชาคือเป็นท่อนกระดูกทั้งหลายผุละเอียดแล้วเป็นท่อนกระดูกทั้งหลายผุละเอียดแล้วกะ็กะ อ, อ, อะไรวันคืนม่วงไปันเสื่อมไปมันซึมไปน้อมเข้ามาสู่กายนี้ว่ากายของเรานี้、เล่าก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาคงเป็นอย่างนี้ ในหลวงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปไ네ด hmm. pues ้ย่อพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนทั้งภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้าง ยอมพิจารณาเห็นธรรมดาคือทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในกายบ้างก็หรือสติเข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าใช้สติก็หรือสติเข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้ า, ส, ส, า, นนาสักตวะเป็นผู้ทํางานระลึกว่ากายมีอยู่ แต่เพียงสักว่าเป็นที่รู้กายเป็นที่รู้ลเอียดนะสักดิา์กายกายเป็นที่รู้สักแต่ว่าเป็นที่อาศัยระลึกเป็นที่รู้เป็นที่อาศัยระลึกเธออันตันหาและทิฏฐิไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยสุยงี่จนาเห็น กายในกายเนืองๆ อ, อยู่อย่างนี้นอมมา <c oughs> โอ้ฝนดีแทะอืม <c oughs> ห น, นีแทะเดี๋ยวห้อมดิห้อมกี่วันมาวัดเธอหนึ่งนี่อะไรอยู่สารคามอยู่สารคามเพิ่งมาเมื่อวานไปทำอะไรอยู่สารคาม ยังห่วงเขาอยู่อีกเนาะน อ, อยู่คนเดียวกับห่วอ ง, หองอย่างเขาเรามาอยู่วัดเราเนี่ ย, เ ป, เ, ย, ยเป็นมาล่ำ ม, มาล้อ ย, อยมันทำอะไรมันทำงานอะไรฮ ะ, เ ป, ระเป็นทั้งพอออะไรไปห่วงอะไรเขา มันย้ายไปจากเสริ ม, มเขาเป็นทั้งพอออยไปห่วงยังเขาพอออยผีอัมเนี่ยบอกฮ้ยันผีอ้ำติโอ้ใจดีเนาะนี่แหละคือหัวใจแม่ดูที เลี้ยงจนโตส่งเรียนจําเป็นใหญ่เป็นโตเป็นฮอทพออหรือยังห่วงอยู่นั่นหลยไปทําอะไรให้พ่อให้แม่ต้องเป็นห่วงไปทําอะไรให้พ่อให้แม่ต้องเป็นห่วงเป็นผู้ใหญ่ขนาดนั้นแล้วปกครองคนเป็นร้อยๆเป็นพันๆ จะทําอะไรพ่อแม่ต้องพ่อแม่ห่วงเมื่อพ่อแม่คิดถึงเขาซื่อบ่ฮะคิดถึงเขาซื่อโอ๋น่าสงสารเน้องหัวใจพ่อแม่เนี่ยโตแล้วก็ยังคิดถึงอยู่เนี่ยมีลูกมีหลานก็ยังคิดถึงมีเลนก็ยังคิดถึงอีกคิดถึงเขาจนจนเราตายมัน ตายแล้วก็ยังคิดถึงอีกแหงบรายอยู่น้าเลยตายแล้วนี่ยตายแล้วก็ยังยังไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่นำ้ำก็ยังคิดคิดถึงอีกน่ย <c oughs> ลูกเป็นส่วนหนึ่งของแพทของพ่อของแม่เนี่ยคือบุญคุณที่ลูกสนองบุญคุณพ่อไม่หมดสนองบุญคุณแม่ไม่หมดเขาเพราะอะไร ความห่วงกังวลวิตกห่วงใ ย, ยสารพัดดูที่ลกูกโอแล้วเนี่ยมันตัดจากพ่อจากแม่ตัดขาดได้แต่พ่อแม่ตัดจากลูกไม่ขาดนี่คือหัวใจของพ่อของแม่เราจะเอาบุญคุณส่วนไหนไปทดแทนบุญคุณของท่านได้อืนี่จะตั้งหน้าตั้งตาประกอบแต่คุณงามความดีอยู่ หรืจะมีความดีบุญคุณส่วนนี้ไปทดแทนบุญคุณท่านได้นอกจากนั้นแล้วก็ตั้งใจภาวนาจนได้อัดได้ทำปกครองคุ้มครองพ่อแม่ให้อยู่ในกรอบของศีลของธรรมจนสามารถช่วยตัวเองได้ลูกที่พยายามดึงพระขับประคองพ่อแม่ถึงขนาดนี้จนพ่อแม่พึ่งพาใส่ตัวเองได้ นี่ชื่อว่าสนองบุญคุณของท่านหมดเพราะอะไรเพราะท่านตั้งอยู่ดีท่านไปได้ดีท่านตั้งอยู่ดีแล้วท่านไปได้ไ ด, ดีแล้วรวมทั้งเราก็ดีแล้วมีศีลมีทากากับตัวดีแล้วจึงสนองบุญคุณของท่านหมด ถ้าไม่เกี่ยวข้องกับศีลกับธรรมแล้วนี่สนองบุญคุณท่านไม่หมดต่อให้เอาท่านมาอยู่บ่าซ้ายแม่อยู่บ่าซ้ายพ่ออยู่บาขวามาแบกเอาไว้นะท่านอุปมาไว้นะท่านกินบนนั้นถ่ายบนนั้นหลับนอนบนนั้นคําอุปมาแบท่านอยู่บนบาเงี้ยจนท่านตายจากเราไปหรือเราตายจากท่านไปก็สนองบุญคุณท่านไม่หมด ดูไปที่ที่ไหนเห็นบุญเห็นคุณของท่านดูมาที่ตัวเราทั้งดุลนนี่คือบุญคุณส่วนเลือดส่วนเนื้อของท่านเอามาอยังไหนเอาเลือดอะสกิดหยดไปเกิดในท้องแม่ใครเอาไปเลือดสกิดหยดไปเกิดในท้องแม่มีไหมมีแต่ของท่านทั้งหมดน่ะเป็นโครงสร้างพ่อแม่ให้มาให้โครงสร้างประมาณโครงสร้างเรา ใจโตออกมามีปันจจะสาขามีหัวมีลําตัวมีแขนสองมีขาสองครบอวัยวะสามสิบสองประการเป็นเลือดเป็นเนื้อของท่านเป็นโครงสร้างของท่านมีนําซ้ําก็ยังอยู่ในท้องอยู่ในทอ้องก็ดูดเลือดดูดเนื้อท่านกินตลอดเห็นไหมเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนหาดูดโดยหลักธรรมชาติ แต่หน้แม่ทุกคนนี่เมื่อมีลูกอยู่ในท้องเนี่ยวังที่สุดระวังอาหารเผ็ดเกินไปเค็มเกินไปร้อนเกินไปกลัวกระเทือนลูกในท้องเนี่ยประคับประคองเยยังไม่เห็นหรอกยังไม่รู้จักว่าเป็นลูกผู้หญิงหรือผู้ชายดีอกดีใจแล้วดีอกดีใจทำไมถึงดีอกดีใจอําไมถึงดีอกดีใจ มันก็เป็นเรื่องแปลกดีเหมือนกันมนุษย์เกิดในท้องเอ้เป็นเรื่องแปลกดีดีใจเอ้เราสมามารถมีมนุษย์ในท้องมนุษย์อย่างเราเราเนี่ยมาเกิดในท้องแม่มีอกดีใจเป็นเรื่องแปลกยังไม่ได้เห็นหน้าหรอกดีออกดีใจทั้งพอ่อทั้งแม่ทั้งยาทั้งเพื่อนทั้งฟูทั้งอะไรอะไรดีอกดีใจนา ด, ดูหัวใจของพอ่อของแม่ มีเป็นส่วนกายแบ่งไปจากพ่อแบ่งไปจากแม่ส่วนนี้เราสนองบุญคุณยังไงก็ไม่หมดถ้าเราไม่มีธรรมยิ่งเราเอาตัวเราไปทาเสียหายผิดศีลผิดธรรมเป็นคนชั่วเป็นคนเลวเป็นคนให้เขาทุบให้เขาตีเอาไปกินยาบองยาบ้าสารพัด เนี่ยเอาพ่อเอาแม่ไปมอมเมาทำลายพ่อแม่หาที่เปรียบไม่ได้ทำลายพ่อแม่หาที่เปรียบไม่ได้ท่านรักเราขนาดไหนท่านห่วงท่านน้อมเราขนาดไหนมอขอีของดิบของดีป้อนเข้าปากเลือดในปกเอาให้ดูให้ดื่มกิน น, น้ำนมน้ำนมคืออะไรเลือดอะไ นั่นเลือดในอกเอาให้ดูให้ดื่มให้กินให้กินแต่ของดีของดีไม่เคยหาของเมายูไปป้อนให้กินหรอือโตขึ้นมาแล้วมันอุตริและไปหาของไม่ดีไปมอมเมาพ่อแม่อืเนระคุณคิดได้ระลึกได้คิดได้ระลึกได้ให้เข็ดให้หลาบ เราทําไมต้องเนรคุณขนาดนี้เราทําไมต้องเนรคุณขนาดนี้ทําลายพ่อทําลายแม่ับตัวเรานั่นแหละพ่อแม่ตัวเร า, เราทั้งรุ่นนี่แหละนี่แหละคือพ่อแม่โครงสร้างเราได้มาจากท่านเรานึกถึงบุญนึกถึงคุณอย่างนี้แล้วก็มีโอกาส ที่จะสร้างคุณงานความดีตั้งใจรักษาศีลเอาไว้เป็นให้ตายเราไปตั้งใจภาวนาเอาไว้เป็นให้ตายเราไปเพื่อได้อะไดรทำเพื่อที่จะรักษาหน่อเนื้อเผ่าพันธุ์ที่เราได้มาจากท่านที่ท่านปลูกฝังให้เราชีวิตปกชีวิตให้ให้ชีวิตเรามานี่สร้างให้ดีสร้างให้ดีสร้างให้ดีสร้างให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีด้วยศีลด้วยธรรมมีความสุขมีความเจริญ ถึงจะเป็นการยกย่องเชิดชูเชิดชูหน้าตาของพ่อของแม่รวมไปถึงครูบาอาจารย์รวมไปถึงผู้มีพระคุณทั้งหลายทั้งปวงอีกคนเราไม่ใช่เกิดมาอยู่คนเดียวเกิดมามัน ไ, ได้อยูคนเดียวดอกดูเถอะอยู่คนเดียวที่ไหนมีพ่อแม่แล้วไม่พอมีพี่เลี้ยงอีกมีหนึ่งลอลไรยังพอมีสองอีก จากนั้นก็มีพี่ๆน้องๆเราอีกช่วยดูแลกันเป็นห่วงเป็นใยกันเป็นความผูกพันกันฐานะความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ เ, นนษยเพราะฉะนั้นจะที่นิ้พิจารณาจะไครครวนจะไตรตรองจะประกอบอพฤติกรรมใดๆลงไปด้วยกิริยากายด้วยกิริยาวาจา แล้ถึงจะเพลอนนึคิดด้วยใจก็ต้องพึงพระมัดระวังอืมพึงพระมัดระวังถ้าเป็นเรื่องเสียหายรีบดึงรีบดึงกลับมาถ้าเป็นเรื่องเสียหายรีบดึงกลับมาถ้าเป็นเรื่องดิบดีที่บำ ง, งุงรีบส่งเสริมอืม หลหมดแห้งแล้วมดนก็นี <hyster ically> ่แหละอ้าวขอนิสัยซะฝนตกยากเดินตาฝนหลด